มหาภูตารูปสี่พวกธาตุชํามแรกธาตุเนี่ยนะพวกธาตุชํามแรกธาตุนี่ก็เป็นพวกวิภาวะตันหา ค, คือเช่นมันเวียนไหวตายเกิดอีกกี่ล้านกลับก็ว่าไปแล้วจักบริสุทธิ์แล้วก็จะไปศูนย์ที่นั่นอันนี้ก็เป็นวิภาวะตันหาเขามองบางพวกสายวิภาวะตันหาเขามองเป็นกลุ่มได้กลุ่มได้ไหมพรอมอ่ะนะไหมพรอมที่เขาถักอ่ะเสร็จแล้วก็เคลื่องไป พอเคลื่องไปมันก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็สุดชันใดพวกพวกอุดเชทที่ติกก็คือตายแล้วก็สุดเลยเ แ, แล้วของเราเป็นอันไหนได้ไหมไม่เอาเลย ใคระใครเอารูปประชาชนน้งองอะนี่ใ น, ในบรรดาความคิดบางอย่างนะเช่นถ้าใครอ่านทีข้านักาสูตรมาเนี่ยนะหลานภาษาริบุตรทว่างไงนะะข้าแต่ท่านพระสมณโคโดมสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าอันนี้หมายถึงปฏิสนธิในภพใหม่นี่นะก็เท่ากับบอกเขาเป็นอุเฉะทิทิก็ประกาศถึงวิภาวะตันหาเนี่ยนะข้าแต่พระสมณโคดมสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าเนี่ยนะพระองค์ว่างกันนะบอกไอความเห็นอันนี้ก็ไม่ควรแก่ท่านเหมือนกันเนี่ยนะ พรไอตัวทิถีใช่ไหมทิถีอันนี้ก็ไม่ควรแก่ท่านอันนี้รับที่ที่หนึ่งไม่ใช่สิ่งทั้งปวงอันนี้หมายถึงปฏิสนธิในภพใหม่เพราะฉะนั้นก็คือแปลว่าเขาไม่เกิดแล้วไปถึงก็บอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าบอกว่าเขาไม่ต้องเกิดอีกแล้วก็มีหลายคนใช่ไหมเขาไม่ขอเกิดอีกแล้วน้องหมอยุพินไม่ใช่น้อยเลยนะก็เพื่อนหมอยุพินก็คนหนึ่งก็ไม่ขอเกิดอีกแล้ว กอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าออกรายการทีวีให้สัมภาษณ์เลยเขาบอกเขาไม่ต้องการเกิดอีกแล้วจะไปไม่ได้รครับไม่รู้เขาจะอยู่บ้านเขานั่นแหละแต่เขาไม่อยากเกิดอีกต่อไปก็ดูหนังฟังเพลงดูทีวีเลี้ยงหลานต่อไปแล้วก็ไม่ขอเกิดอีกแล้วเห็นไหมทำไงดีกันนี้จันแดงพระไม่เกี่ยวแล้วนี่ทัที่สองบอกว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้า อันนี้เขาบอกว่าควรพวกกลุ่มแรกบอกไม่ควรใช่ไหมเข า, าเขาถือว่าเขาจะต้องยังไงก็ต้องเกิดแน่นอนล่ะแบ่งอยู่สองที่ไม่นรกกับสวรรค์พวกนี้เขาบอกไว้ถือว่าควรใช่ไหมหมายความว่าถ้าเขาเขา้ารับที่อันนั้นหมายถึงสวรรค์แน่นอนถ้าเขาปฏิเสธรับที่นั้นนรกแน่นอน อันเนี้ยพวกนี้เป็นสายว่าสิ่งทั้งปวงพวกที่ถือว่าชีวิตอมะตะในในหลังจากตายไปแล้วนะพวกนี้เป็นเรียกว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เขาก็เท่ากับบอกว่ากลุ่มนี้เป็นสัสตตถิฐิอันนี้เท่ากับอะไรภาวะตันหาเนี่ยนพวกนี้เป็นพวกภาวะตันหา เขามีกลุ่มที่สามมาอีกนะบางอย่างควร น, นะบางอย่างไม่ควร น, นะนะบอกบางอย่างควรแก่ข้าพเจ้าบางอย่างไม่ควรแก่ข้าพเจ้าลทัทธิพวกนี้เป็นอะไรเอกัจจศัสตะทิฏฐิ พวกนี้แปลว่าทิฏฐิผสมกันบางครั้งก็ ส, สัตตะบางครั้งก็อุดเชิเนี่ยนะบางอย่างควรบางอย่างไม่ควรเนี่ยนะทั้งหมดนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมิจฉาทิฏฐิสามประเภทใหญ่ๆอันนี้อยู่ในทิฏิ62อด้วยัอ น, อ น, น, นพอขยายพวกนี้ไปแล้วก็จะเป็นหกสิบสองเนี่ยนะ ถ้าขยายไปนะแต่อันนี้พูดแบบแสดงแบบย่อๆในทีขาน้าขาสูตรเป็นอย่างไงทีนี้พวกพวกที่บอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรต่อข้าพเจ้าพวกนี้ถ้าว่าโดยรวมก็บอกว่าไม่ไม่ค่อยยึดติดแต่ถ้าพวสิ่งทั้งปวงควรพวกนี้ก็ยึดติดอ่ะเขบอกบางอย่างควรบางอย่างไม่ควรยึดติดบ้างไม่ยึดติดบ้างเป็นบางเรื่องเป็นเรื่องๆไปซึ่งทิฏฐิทั้งสามอย่างเนี่ยนะทะเลาะกัน สามทิเนี่นะทะเลาะ ก, กันตันหาเหมือนกันแต่มันทะเลาะ ก, กันเอาสิเหมือนอะไรเหมือนซื้อของเข้าบ้านอะ่ะจะเอาของใช้เข้าบ้านเหมือนกันไหมแล้วก็ถกกันไม่ค่อยลงอ่ะนะอยู่ไม่กี่คนเนี่ยนะซื้อของเส้นซื้อเข้าของเครื่องใช้อะไรต่างๆไปไว้ในบ้านเนี่ยก็ยังทั้งคู่เนี่ยก็ตัญหาจะเอาเหมือนกันนะแต่ว่าคุยกันไม่ลงตัวฉันไดพวกรัฐที่ในทั้งหลายในโลกนี้ก็เหมือนกัน เขาบอกว่าพวกลัทธิเหล่านี้นะถ้าศึกษาก็ศึกษาจ า, ากระบบการปกครองเนี่ยจะอยู่รว่วเบื้องหลังทั้งหมดมาจากทิฐิเป็นเป็นหลั ก, ก น, นะระบบระบบการปกครองในโลกเนี่ยมาจากลัทธิบริมาจากทิฐิเป็นหลักถ้าเป็นลักษณะาบางสายเนี่ยนะการปกครองระบบบางอย่างเพื่อให้บริโภคการให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นะรูปแบบการปกครองบางอย่างอนะนะพ้าถ้าใครไปจํากัดสิทธิการบริโภคกามถือว่าผิดกฎหมายก็ก็อกอกอกฎหมายให้ประชาชนได้บริโภคกันแล้วก็อย่ายแย่งกันบริการให้มากนักนะน ะ, ะคำหมายคาว่าคือสิทธิของผู้บริโภคการเหมือนกันเถอะว่ารวมๆก็เป็นอย่างนี้พวกนี้เป็นลักษณะประกาศตัวการมะตัญหาเต็มที่พวกนี้นะกามะตัญหา แต่แล้วพวกกามาตัญหาเหล่านี้เนี่ยนะบางอย่างเนี่ยอยู่ในฝ่ายบางพวกเนี่ยตกเข้าไปในฝ่ายอุเฉตบางพวกตกอยู่ในฝ่ายสัสตะบางครั้งในคนเดียวนี้เป็นทั้งอุเฉตเป็นทั้งสัสตะเนี่ยนะก็สัตทั้งหลายเนี่ยที่ พ, พระองค์บอกว่ามันรกชัดเนี่ยรกชัดอย่างนี้แหละแต่ว่ารวมๆแล้วทุกคนเนี่ยอยู่บนอะไรนะ ภาษาธรรมะภาษาโลกภาษาธรรมมุเทศเรียกว่าพร่องอยู่เป็นนิดเหมือนกันมันจะอะไรก็ตามแต่อยู่บนเหมือนกันหมดคือพร่องอยู่เป็นนิดซึ่งวิธีแก้ไม่ให้พร่องนี่ทำยังไงตกลงถมให้เต็มใช่ไหมถมตานี่ถมยังไงเอาอะไรมาปิดเลยทลาสเตอร์นะถมจิงก็เต็มทำยังไงผมถมตา คุณต้องแก้ตันหานี้ตกลงเอาไงดีโยว่าไงคิดยังไงจึงจะจึงจะหายพร่องอาจารย์มิตคิดยังไงจึงจะรู้สึกว่าเออเต็มแล้วพอแล้อ๋อนะต้องคิดให้จนเบื่อหน่ายนะมันจึงจะรู้สึกว่ามัน ถมเต็มมนนะคือคือตันหาเนี่ยวิธีแก้อย่างสมมติว่าวิธีแก้ถมทะเลเนี่ยใครถมเต็มบ้างไม่เต็มฉันใดก็ดีเนี่ยนะตันหาก็ถมถมไม่เต็มฉันนั้นเนี่ยนะคำว่าสมุดเป็นชื่อของตัญหาทะเลก็เป็นชื่อตันหาโอคาก็เป็นชื่อของตัญหาที่ถมไม่เต็มเมื่อถมไม่เต็มเนี่ยอย่างเช่นตาเนี่ยถมเต็มที่ไหนหูก็ถมไม่เต็ม แม้กระทั่งอะไรนะทะวารตาเนี่ยที่จะเห็นนะเดี๋ยวไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็พอละตั้งอันนี้ไปเลิกดูละมีไหมไม่มีหูนะขอฟังเรื่องนี้เดี๋ยวหลังจากนั้นเลิกให้หูมันแตกขาววอนไปเลยก็ถมไม่เต็มอีกใช่ไหมจมูกถมยังไงทวารลิ้นถมยังไงทวารกายถมยังไงทวารใจเนี่ยถมยังไงเนี่ยแต่ละทวารเนี่ยเพราะไอ้ทวารตาหูจมูกลิลนกายใจตันหาที่ไหลไปในทวารหกไม่มีผู้ใดถมเต็ม ทีนี้ถ้าว่ารวมๆนะถ้าตันหาพร่องในตันหาทวารตาเนี่ยมันชอบชอบสีตันหาทวารหูชอบเสียงตันหาทวารจมูกชอบกลินตันหาทวารลิ้นชอบรสตันหาทวารกายชอบโลธพาตันหาทวารใจชอบธรรมะทวารใจก็ชอบอารมณ์หกตันหาทวารใจนะ ไม่ค่อยจำกัดเอาหมดนะทีนี้ในโลกนี่นะคือพบสามพบสามก็คืออารมณ์6นั่นเองย่อมาพบสามเนี่ยไห ล, ลร่อมารวมรวมก็คืออารมณ์หธรรมชาติกองต า, าก็คือกระหายในอารมณ์6หรือรู้สึกพร่องในอารมณ์ห มันมันพร่องอยู่ในอารมณ์ทั้งหกพร่องในสีพร่องในเสียงพร่องในกลิน่นพร่องในรสพร่องในโพธิภาพพร่องในธรรมรมณ์อ่ะนะพอแล้วพอแล้วเนี่ยนะไม่ค่อยพูดถึงยากฟังอาจารย์สมบัติที่ก็สมไม่เต็มฟังไปเรื่อยๆนั่นอะไรเ <c oughs> นี่ยเกือบเต็มแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ก็มันมันเกือบเต็มแล้วเกือบแล้วพล่องคล่องอย่างเงี้ยนะทัวร์ในครั้งหนึ่งว่าสมมติว่ารูปปัตนหารูปปัตนหามันวิธีที่จะถ่มให้ให้รูปปัตนหามันเต็มเนี่ยนะเขาไม่มีการว่าไปสนองตันหาเดี๋ยวตันหามันจะ มันจะเต็มเองเขาว่าตันหามันมีลักษณะอย่างหนึ่งเหมือนไฟถ้าการถมเติมเติมเฟิรนให้มันพอเนี่ยนะไฟมันจะได้เต็มใจมันสัทีหนึ่งเต็มไหม <c oughs> เขาบอก ว, ว่าถมไม่เต็มเลยนะทะเล <c oughs> ทะเลหนึ่งทะเ ล, ท, ะเลที่ถมไม่เต็มนะสองไฟสามคนมกักมากนี่นะ พวกปัญหากลุ่มรวมเนี่ยพวกนี้ก็ถมไม่เต็มรูปปัญหาเนี่ยวิธีแก้รูปปัญหาเนี่ยไม่ใช่ไปถมให้รูปปัญหาเกิดมา ก, มา ก, มากเกิดบ่อยๆแล้วรูปปัญหาจะเต็มไม่ใช่ฮั้นวิธีที่จะละตัญหาเนี่ยพระ อ, องค์สอนเรื่องอธิศีนขึ้นมาก่อนไงเกี่ยวข้องกับรูปยังไงให้มีศีลอันนี้แก้ตัญหาระดับหยับหยาบ แก้ตัญหาละเอียดละเอียดก็เป็นอธิจิตแก้แก้ตัญหาได้ถาวรก็เป็นอธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี่แหละเรียกว่าพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์ที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเนี่ยนะประกาศก็เพื่อที่จะละตัญหาเนื่องจากตัญหาเนี่ยเป็นตัวที่นําเกิดในในพบใหม่เพราะนั้นการรักษาศีลเนี่ยเริ่มขัดตัญหาตั้งแต่แรกแล้ว เพราะฉะนั้นใครที่รักษาศีลรู้สึกชีวิตนี้มันโสมนัดเลยจะไม้ดีใจเลยไม่ค่อยมากหรอกเชื่อแต่ก็มีนะเป็นครั้งคราวถ้ารักษาได้นานๆแล้วค่อยดีใจเออดีนะที่เรารักษาศีลมานะแต่ตอนรักษานี่รู้สึกว่ามันมันขัดๆยังไงก็ไม่รู้มันขวางขวางครั้งขวา ง, วางตันหาจริงๆเลยนะศีลและศีขานี่ขวางตันหามาก ดูวันพระเนี่ยนะขวางโอโหราษัญหานิขวางเต็มไปหมดเลยไหนเะนียใช่ขวางสิ่งที่คุ้นเคยเลยเนะี่ยอาธิศีลศิขาเนี่ยขวางอาธิจิตสิขาเนี่ยขวางเต็มที่เลยอธิปัญญาศิขานะขวางไปหมดอธิศีลศิขาใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเป็นลักษณะของศีลห้าเนี่ยในธรรมะเนี่ยก็ ว่าตรงๆเนี่ยมันไม่ใช่ศีลที่ออกจากวัตตะศีลห้า น, นะเพียงแต่ว่าเป็นตัวศีลที่กำจัดภัยเวรภัยเวรในชาตินี้ภัยเวรในชาติหน้าแต่ถ้าเป็นศีลที่นำออกจากวัตตะนี่ก็เป็นลักษณะของจตุปริสุทธิศีลเนี่ยนะคือปาติโมกสังวรนะนะปาติโมกสังวรนะโดยสาระสำคัญของปาติโมกขสังวรคืออะไร คุณตัวจร อ, อ๋อรอหัวหน้าชั้นตอบให้ปาติโมกสาระคือกายะสุจริตวจีสุจริตแล้วก็ถ้ากายสุจริตวจีสุจริตหมายถึงอาชีพสุจริตนี่คือสาระ ส, สำคัญของ ปาเตโมขะสังบลแต่ถ้าเป็นคารวาตไม่มีศิกขาบทรองรับแต่ว่าต้องอยู่ในหลักการเหมือนกันเพราะว่าคารวาตพระภิกษุก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันใช่ไหมคารวาตก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นพื้นฐานต้องสุดจริตทั้งคู่จะเป็นคารวาตหรือเป็นพระภิสุก็ต้องประพฤติประพฤติศีลสังวอร์เนี่ยนะให้สุจริตกายสุจริตวจีสุจริต ส่วนต่อไปอินทรีสังวรอินทรีสังวรก็เน้นพิเศษคือมโนสุจริตเพราะเพราะสาระสำคัญห้ามอภิชาห้ามอภิชากับพยาบาทหรือโทมนัสนั่นแปลว่าห้ามโลภกับห้ามโกรธ ไม่ชอบเนี่ยก็มันมันก็ถือว่าทำยากแล้วใช่ไหมแต่วิธีถ้าจะให้ไม่ชอบอะไรสักอย่างนะทำให้มันชังในเรื่องนั้นซะมันก็จบกันแล้วนะมันก็มันก็แก้ได้แล้วใช่ไหมแต่นี้บอกห้ามชังด้วยสิตรงนี้แหละศาสนาพุทธที่เรียกว่ามันโอ้ลึกซึ้งมากนะตรงนี้สมมติถ้าเราสมมติถ้าเราไม่อยากจะชอบวัตถุใดวัตถุหนึ่งนะแบบแบบแก้ปัญหาแบบเรานะ บอกว่าคุณหาความเลวของวัตถุนั้นมากๆเิคิดให้มันเลวถาวรเนะยคิดไปคิดมาเนะไม่ชอบจริงๆนะพานไม่ชอบจริงๆเลยพานกรนะรังเกียจเลยแหละนะถ้าถ้าหาไปอย่างนี้มากๆมันก็จะเป็นโกรธแทนเลยต้องไม่โลกไม่โกรธอันนี้ยากมาก น, นี่ต่อไป ก็โพชเนมตันยุตาก็คือปัจจะยสันนิสิตสินเกี่ยวข้องกับอะไรพิจารณาหมดเนี่ยนะใช้เสื้อผ้าก็พิจารณากุมัญชูผ้าพันแผลใช่ไหมถ้าคุณพันไม่ค่อยดีนะเขาไม่ให้เข้าบ้านเขาอ่ะกุมัญชูก็แต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยไปบางแห่งเขาไม่อยากจะคุยด้วยนั่นแหละพันแผลไปไม่ดีอย่างนี้แหละพันแผลนั้นต้องพันให้ดีๆเขาจึงจะยอมรับ ไปบางแห่งเขาไม่ให้เข้าสถานที่เขาเลยเพราะโทษฐานใส่กางเกงขาสัน้นเนี่ยนะพันแผลไม่มิดนะ่ะต้องพันแผลให้มันหมดแผลจึงจะเข้าได้อย่างไงคือเพราะอันนี้ต้องต้องพิจารณาเลยนะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่เนี่ยจะต้องพิจารณาทั้งหมดไม่ใช่ผ้าอย่างเดียวแม้กระทั่งอาหารอาหารอะไรอีกที่อยู่ใครเข้าห้องปัจเจกบ้างเข้าห้องเรียนเนี่ยหมอพิพิน วันนี้ลืมเลยอ๋อลืมพึ่งนึกได้ไม่มีเลยเหรอคุณผุ้ชม <Erin. S 2> ลืมอีกอ้ <c id. S 2> oh, โหอ๋อคุณนภาหนึ่งนะนายยกให้เหมือย์นโมธนาบ้างเลยนภาคุณปิดาอ๋อพึ่งนึกตอนถาม น, นี่แหละเนไตาไมานิดไม่ค่อยถามนะตอบตกตลอดเลยอาชีพก็อยู่นี่แล้วนะอันนี้เป็นอธทศีลสิกขาเนี่ยขับต่อรูปปัญหาละ เริ่มขัดขวางต่อรูปปัญหาถ้าเป็นอธิจิตตสิกขาเนี่ยนะก็คือพิจารณารูปโดยอะไรกายานุปัสนาแบบสมถะสิบัีพะเนี่ยนะนนะเพราะว่าทั้งสมถาวิปัสนาเนี่ยเป็นของคู่กันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอธิจิตตสิกขาเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยทีเ่เป็นทั้งอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขานีกายานุปัสนาเนี่ยเป็นทั้งอธิจิตตสิกขาและ อธิปัญญาสิกขาเพรันขณะที่อบรมจิตโดยที่อย่างอย่างที่วันก่อนกล่าวถึงว่าพิจารณารูปเนี่ยได้อะไรบ้างหนึ่งอสุภะสองธาตุสามกสินถ้าเป็นแง่กสินก็เป็นสมถะตรงตร ง, ตรงเลยใช่ไหมถ้าแง่ธาตุกับอสุภะก็เป็นสมถะที่เป็นบาดของวิปัสสนา เนี่ยนะก็เป็นบาตรของอาธิปัญญาอธิปัญญาเนี่ยนะคืออนิจานานนะนจานุปัสสนานะอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนานตานุปัสสนานิพิทักษิวิราคานิโรธาปฏินิสัก า, านี่โดยที่มีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะถ้าอบรมตามสิกขาสามโดยที่มีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยอันนี้ถมตัณหาได้จริงถ้าไม่เจริญอย่างนี้นะถมไม่เต็ม พยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาแบบแบบแก้แบบเอาเอาวิธีของเราเข้าว่านะไม่เคยประสบความสำเร็จเลยแต่ถ้าคิดตามพระพุทธเจ้าให้คิดนะถึงยังทำไม่สำเร็จแต่มองเข้าว่าเป็นไปได้อ่นะอันนี้คือสัททินสีที่เรามีต่อคำสอนก่อนใช่ไหมว่าออถ้าแก้ปัญหาตามพระพุทธเจ้านะโครงสร้างมีเนี่ยพิษในสีนะในที่สุดเนี่ยต้องแก้ได้แน่นอน แต่ถ้าแก้ปัญหาแบบให้ปุตุชนคิดแก้กันเองเนยะเชื่อไหมคือการสร้างปัญหาไม่ใช่แก้นะแต่เป็นการสร้างปัญหาที่เรียกว่าหูยสร้างจริงๆด้วยสร้างชนิดที่เรียกว่าคนสร้างนั่นแหละมันพันมากกว่าเพื่อนอะ่ะหนักๆเข้ามันเหมือนยิ่งพันอะ่ะยิ่งยิ่งแก้ยิ่งพันยิ่งแก้ยิ่งพันอะ่ะก็อะไรสมมตินะสมมติคนนี้มีหนี้ติดหนี้หนึ่งร้อยบาท จะต้องใช้หนี้ภายในวันพรุ่งนี้เงื่อนไขก็เป็นอย่างนี้นะทำยังไงถ้าไม่ไม่ให้เขาค่าก็ไปกู้กู้ต้องก120 ly, ู้ร้อยยี่สิบใช่ไหมเพราะไหนจะกู้แล้วก็ต้องให้มีใช้บ้างเอยี่สิบไว้ใช้เองและเตี่ยเนี่ยออ ก็หักหักออก็ได้แค่แปดสิบใช่ไหมใช่ร้ออได้ได้ร้อยนี่ได้รอ่สินะแต่ว่าถ้าตอนจ่ายอ่จะไม่ค้ายี่ต้องจ่ายร้อยี่สิบใช่ไหมทีนี้มันก็เดือนกี่เดือนนะอ่าหนึ่งเดือนะนก็จ่ายร้อยี่สิบทีนี้แล้วตกงานครบเดือนเลยนะต้องจ่ายร้อยี่สิบทำยังไง ต้องกู้ร้อยสี่สิบและระหว่างนี้กินอะไรอะมันภายในห้าเดือนเนี่ยนะหรือหนึ่งปีเนี่ยอาจจะมีนี่หนึ่งหมื่นแล้วอย่างงี้หนึ่งสิบปีเราถ้าสิบปีนะั้นไม่ใช่ติดนี่หนึ่งอาจจะติดนี่ห้าแสนไปแล้วห้าสิบปีนะจะไม่ใช่จะไม่ใช่หนึ่งมื่นนะจะเป็นห้าแสน ถ้าตลอดชีวิตนี่คือคือวิธีแก้ปัญหาแบบแบบชาวแก้ปัญหายุคนี้มีอย่างนี้จริงๆินะไอไอทฤษฎีที่ว่านี่มียย <c oughs> อันนั้นมันตัวเขียวคุณ ย้ายหนีทั้งกลุ่มเลยคือมันก็ถ้าว่ารวมๆเลยนะอย่างนั้นอนะ่ะมันไม่มีคนเดือดร้อนจริงๆสักเท่าไหร่หรอกเพราะมันเงินหลวงอัน น, น้แต่ถ้าพูดแบบแบบเวทวงธรรมดาเนี่ยนะกู้วงศาคณาญาตและไอ้ไอ้กู้แบบนี้มันไม่ใช่ไม่มีอะไรจำนองนะ <c oughs> เพราะไม่งั้นเข้าไม่ให้อะ่ะก็ต้องไปไปโปะก่อนไยมีอะไรไปโปะไปบงัง ว่าไปว่ามานะแก้ปัญหาแบบแบบอันนี้นพูดโครงสร้างวัตตะนะแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยนะจ่ายด้วยอบายเนี่ยนะคือวิธีจ่ายก็บอกว่าหนักสุดนรกเบาลงมาก็เดรัจฉานเนี่ยนะเป็นไส้เดือนเป็นต้นเนี่ยนะรองลงมาก็จ่ายด้วยการเป็นเปรตห้า เป็นถ้ามาเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นมนุษย์นะี่ยเช่นเกิดในอินเดียหรือเกิดในเบลองไทยบางแห่งหรือหลายๆแห่งนะ่ยนะก็อันนี้ก็คือผลทางการจ่ายนะแม้กระทั่งอะไรนะบัตรประชาชนสัมมโนโครัวเขายัางไม่ให้มีเลยนะโดยที่สุดเนี่ยเป็นคนเถื่อนบอกว่าที่อินเดียนะถ้าจดทะเบียนประชาชนหมดนะน่าจะมากกว่าตัวเลขที่ทมีอยู่ทุกวันเนี่ย ถ, ถ้าทุกคนมีขึ้นสมโนโครัวหมดนะแต่นี่ไม่รู้ใครจะไปเที่ยวจดให้ใครเพราะมันนอนตาม อ, อะไรนะเขาบอกว่ามันมีงานตลอดปีตลอดชาติอะ่ะคนมากขนาดนั้นไม่ได้ไปแย่งชิงกันขึ้นรถไฟนะในห้องเรานะอยู่ในห้องอย่างงี้ดูเหมือนเยอะนะแต่ถ้าไปตรงนั้นนะของเรามันนิดเดียวเลยอะ่ะ โอ้ตอนตอนนะั้นอยู่บนรถนะโอ้ไปกันสาสิบคนเนี่ยสามสิบคนกว่าเราก็ว่าอ้พวกเราตั้งกลุ่มเยอะเลยนะพอไปถึงไอสนามไม่ใช่ไอสถานีรถไฟ <S <S เลี้ยวไปเลี้ยวมาเอาพวกเราไปไหนมันจะหากันไม่เจอนะอุยแล้วก็เดินยังกระปลวกเลยนะ ป, ป, ป, ปแต่ละคนเนี่ยไวมากโอ้โหถ้าไปเกิดตรงนั้นเนี่ยนะ แล้วก็ขนาดนั้นก็ยังไม่พอนะแล้วพวกที่อบพยบกลางคืนเนี่ยนะไปหาทำเลหากินต่อไปเนี่ยเพราะไอ้รัฐพิหารมันเป็นรัฐแห่งแรงมันฝนไม่ค่อยตกนะแล้ผลของทู่สีเอาไว้มากหรืออะไรไม่ทราบทำลายสังคเออคือก็เป็นไปได้เพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็นของสงทั้งหมดที่เขาอุทิศพระรัตนตรัยซะส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ทราบว่าไปทาทุจิตกรรมอะไรไม่ไม่รู้อะไรพรา อย่างพื้นที่พื้นที่หลายๆแห่งเนี่ยเป็นของที่เขาถวายพระพุทธเจ้าใช่ไหมถวายพระพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดไปแย่งชิงไปครอบครองโดยเป็นของส่วนตนอะมีโทษไหมอย่ี้อันนี้แหละคือ ท, ที่ที่มันน่าคิดว่าทําไมมันจึงเดือดร้อนกันขนาดนั้ น, นก็ทําบาปกันบาเนเลยคนนี้ลําบากต้องมีระเบียนบ้านดมดผัวเปรย์มันตาระเบียนบ้าน นั่นแหละว่าที่ต่อไปนะพูดคำนี้บ่อยๆเนี่ยอาจจะได้ใช้บริการพวกนั้นแหละคือพวกพวกนี้นะถ้าแก้ปัญหาแบบปุตชนทั้งหลายเนี่ยคือปุตชนเนี่ยแก้ปัญหาโปรยหลักการในการเกี่ยวข้องกับสีนะเกี่ยวข้องกับรูปนะคุณโปรยทิิใดขึ้นมาเลยโปรยได้หมดนะเวลาใช้มันไปใช้แนาบาบมันไม่ได้ใช้แบบอะไรนะแบบกฎหมายแบบที่เขาบัญญัติใช่ไม จับปั๊บเห็นปุ๊บอะไรปั๊บเนี่ยท่านมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีโทษจริงๆมั้นก็วันนี้ไปดูสูตรหนึ่งพระ อ, องค์บอกว่าทะเลนะทะเลมาหาสมุทรที่มันกว้างขวางแล้วก็บอกว่าเขาแบ่งไม้ในโลกเนี่ยเป็นสามขนาดขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเอามาร้อยปลาเคยเห็นเขาร้อยปลาไหมเขาจะร้อยที่ที่ครีบหูใช่ไหมไปที่ปากมามาร้อยประจําำ ร้อยอย่างนี้เขาบอกว่าแล้วก็เก็บเอาปลาในทะเลเนี่ยมาร้อยเอาไม้ทั้งโลกเนี่ยนะมาร้อยเนี่ยไม่พอคือปลานี่ยังไม่หมดเลยนะไม่หมดก่อนอันนี้เฉพาะตัวใหญ่ๆนะไม่นับตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยมันไม่รู้จะเอาอะไรไปร้อยมันหมดไม่มีหมดอะไบนี่มากขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นในโลกเนี่ยใครจะโปรอยอะไรก็ตามเถอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว พุกอยู่นี่ฟานี่มันลดก่อนนะครับไม่ต้องเกิดดิคุยคุยคุยกับคุณบุญมีไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะบางเรื่อง <S <S <S ทวารกายยือนอ่ะดีแต่ทวารวาจาไม่ค่อยดี คำว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะเมื่อกี้แะที่เ น, เนี่ยมันหมายถึงมิจฉาทิฏฐิหมายถึงปฏิสนธิตามทีฆานัข่ า, ขาสูตรนะตามสูตรนั้นน่ะสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าหมายถึงปฏิสนธิในภพใหม่แต่ถ้าเป็นที่อื่นหมายถึงขันห้าก็ใช่ไงอบายไง ก็ก็ศึกขาสามไงว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าวิธีแก้ปัญหานะถ้าใครตั้งทฤษฎีขึ้นมาเจ๊งหมดอะนอกจากที่เรียกว่าแก้ปัญหาตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวถ้าไม่แก้ตามพระพุทธเจ้าก็อย่างว่านะมันก็คือวิธเหมือนกู้นี่เมื่อกี้เป๊ะเลยคือทุกสำนักนะฮะทุกอาจารย์ที่สอนสอนกันอยู่เนี่ยท่านหวังดีแล้วก็มีจุดหมายเดียวกันนะคือมุ่งที่จะหลุดพ้นหรือว่ามุ่งนิพพานทั้งนั้นอะ นี่เป็นการแก้ปัญหาแบบเขาไม่ใช่กาเแก้ปัญหาแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระอาจารย์หมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยการแก้แบบนั้นเหมือนกันกู้หนี้เหมือนกันเนี่ยคือแก้จริงๆแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยละรูปก็ไม่ได้ละเมตนาสัญญาสังขารทั้งขันไม่ได้ทั้งนั้นแหละก็หนี้พอกไป อ, อี ก, กถ้าถ้าใครเอางนะ่ายๆว่าเรียนเข้าใจกฎเกณฑ์ของวัตตะให้ดีๆแล้วเข้าใจศึกขาสามของพระพุทธเจ้านะแล้วเข้าค่ายปฏิบัติเนี่ย ดูว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆ น, นะมันอย่างในยุคนี้ที่ที่เขาบอกว่าศาสนาเสื่อมลงทุกวันเนี่ยขอมากลับไม่ค่อยแปลกใจเพราะว่าไ อ, ไอตัวคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเสื่อมมากแล้วมากจนไม่มีใครศึกษาแล้วเนี่ยนะมันถ้าใครไม่ค่อยเข้าค่ายปฏิบัติแบบในยุคนี้มากขึ้นนะก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเพราะว่าปกติถึงเข้าไปก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรโดยมากไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆเนี่ย น, นะ ก็ถามว่าถามทำไมพูดอย่างนี้ก็บอกเขามาดูจากอะไรบอกดูจากอาจารย์สอนเรื่องนั้นเลยไม่ได้ดูลูกศิษย์ที่ไปเข้าคอสนะดูจากคนสอนเรื่องนั้นตรงๆงเลยเราก็รู้ว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้เพรามันมันแทนที่จะแก้มันกลับยินตงตรงนั่งไปหมดเลย